หลวงพ่ออินถวายวัดป่านาคำน้อยหลวงพ่อเทศช่วงประมาณสักหนึ่นงทุ่มวัดเนี่ยติดนครพนมอะในมณลหลวงพ่อเทศโพเทศจบแล้วหลวงพ่อก็คงจะลงไปกราบหลวงปู่จามพอไปใกล้แล้วนานน่้ไม่ได้ไปกราบหลวงอ่อา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 ถ้ามาจริงจังจิงใจกับโลกนี่จนเกินไปหลวงพ่อว่ามันกระทุกเหมือนกันนะถ้าว่าโกรธให้ใครเนี่ยก็นะจะไปถล่มเขาจะไปฆ่าเขาให้ได้แต่พอฆ่าเขาไปตัวเองกับเป็นนักโทษก็เป็นนักร อ, อีกมุมหนึ่งเป็น น, นักร อ, อีกมุมหนึ่งคือจะต้องจับเข้าไปไว้ในกองขังแต่คนนั้นก็ถูกฆ่าแล้วก็ตายไปนี่แหละ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 อย่างที่คุณโยมที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยอีกไม่นานน่ยเขาก็จะประชุมเพิงเผาและแต่ใจคือนามธรรมนั่นแหะเขาได้บําเพ็ญอันไหนไว้ใจตวงนั้นน่ะจะไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิอ่าไหนใจตรงนั้นก็จะออกไปจากร่างอ่ไปกาะปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นพ่ะถ้าวัดท่าน ต, ตัดกิเลสได้ก็ได้เป็นพระหัน์อย่างพระพุทธเจ้า